บทพาหงเนี่ยเป็นบทที่พุทธเจ้าท่านทรงชนะชนะพยามารมาราตีเลกามพิยุธทธิรสชปารัติงเนี่ยชนะพยามารตันเตชะซาพวัตตุเมชยามังคลานิแต่ถ้าสวดเป็นภาษาบาลีสวดเป็นสัมเนียงมคตเขาเรียกอ่ชาชยามังคาลัตทั้งชายามังคลัตทั้งแต่ถ้าสวดสังโย ชยมังคลานีชยมังคพลังหนังสือนี่ผิดผิดเยอะหนังสือเนี่ยชนะพยามารชนะช้างนาลากิริงพยามาร็คือพยามามาราตเนี่ยพามาร์นาเท้าสามบดีเท้าสามบดีพรมะนั่ น, น, นพยามารพระเจ้าทา ง, งชนะพยามาร์นชนะพยามารด้วยทาน ดยเดชชนะพยมานชนะมาราทิเรนินมานพยมานด้วยขวันติด้วยความอดทนชนะช้างนาลาคิริงชนะช้างนาลาคิริงชนะช้างนาลาคิริง ชนะนางจินจมานวิกานางจินจมานวิกาเนี่ยพระพุทธเจ้าทางกระส่งชนะนะนางจินจมานวิกานี่พวกเดร ถ, ถีเขาแกล้งไปโจท์ทำลายพระองค์เอาก้อนหินหรือก้อนไม้อะไรไม่รู้ไปมัดมัดเหมือนกับเป็นคนท้องไปโจ์ต่อหน้าสงฆ์ตามตำนานว่า เทวดาแปลงร่างมาเป็นหนูมากัดเส้นเชือ่อให้ขาดหลุดตงรงทกใส่ตีนชุาของชนะนางจินจะมานาวิกาถูกก็ทุกก็ตีเกือบตายเดินพ้นหน้าพระพุทธเจ้าไปก็แผ่นดินโศกนีนางจินจะมานาวิกาชนะสัจกาณิครนน<อ>ด้วยปัญญาชนะนันโทปนันทะนาคราด ชนะนันโทปนันทะนาคราณผู้พุทธเจ้าท่าส่งชนะด้วยชัยมงคลคาถาทั้งแปดนะโมขังสุขังอธิคมยัยะนาโรสะปันโรมหาการุณิโกเป็นที่ชนะนี่ชัยยะชัยยะในเราก็ไม่ค่อยขยันสวดชัยะช ย, ะช ย, ะชยะชัยยะจันทิรวัตรันขยันขยั น, นสวดชัยยะชัยยะ เสียงตำดังด้วย <c oughs> แท้ที่จริงทรรมจักกับประวัฒนาสูนี่แหละ <c oughs> เป็นธรรมะ ก, กันแรกนะเป็นธรรมะกันแรกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสด ง, สดงโปรดปัญจวัคคีย์ที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยจักทำรรจับทรรม หมายถึงจักรธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านแผ่ออกแล้วจักรธรรมของพระองค์เพนไปแล้วในโลกอจักรธรรมแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ที่ปาอิสิปัตนามฤุกขายาวันเป็นเทศการแรกเลยน ะ, ะเทศการแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงชื่อว่ากันเทศอะไรธรรมจักรนี่แหละจักคือธรรม จักคือธรรมที่พระริเจ้าทาทรงสแสดง <c oughs> สแสดงไปแล้วแผ่ไปแล้วจักขององค์เป็นไปแล้วในมนุษย์เทวดามารินพรหมจักคือธรรมธรรมะของพระพุทธองค์น่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้ตรัสรู้อยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสีนานิคม หลังจากพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ในความเพรียณหกแล้วพระองค์ก็ทรงสเสวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณนั้นแหละในตำบลอุรุเวลาเสนาณิคมทุกวันนี้ก็คือที่พุทธคยานั่นแหละนั่นแหละที่ตรัสรู้ทุกวันนี้ก็คือที่พุทธคยานั่นแหล ะ, ต, รร ะ, นนหละตำบลเป็นตำบลอุรุเวลาเสนาณิคมแขวนแควนราชจัครึกกรุงราชจัครึก คนละขวันกับกรุง ส, สาวัตถีที่พระพุธยาวสจงไปเดินทางเสด็จไปเทศธรรมจักรกับอุทานสูตรโปรดพวกมันจวักขีเพราะหลังจากพระองค์เสวยวิมุตติสุขสี่สี่สิบเก้าวันเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สบเก้าเจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันแห่งละอาทิตย์แห่งละอาทิตย์แห่งละอาทิตย์พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุข คือความสุขที่พระจิตของพระองค์เนี่ยหลุดพ้นไปจากกระแสกิเลสตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในหัวใจในพระไทยของพระองค์พระองค์ก็สงสวยวิมุติสุขสี่สิบเก้าวันนี้ไม่เสวยพระกรยาหานะไม่เสวยอดข้าวสี่สิบเก้าวันเออถ้าเราจะเทียบไปที่ข้าวมาทุบายญาติพระองค์เอาไปปั้นรับจานาวิสาขาเสร็จแล้วก็ นางสุชาดาเสราไป ป, ปั้นปั้นปั้นได้สี่สิบเก้าก้อนพระองค์สวยจนหมดแต่เยอะเท่าไหร่ไม่รู้นะสี่สิบเก้าก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่เราก็ไม่รู้พระองค์สวยจนหมดวันนั้นอ่ะ เ, อเราพูดพุทธประวัติประกอบเพราะนี่คือต้นต่อที่ไปที่มาของพวกเราเราพูดได้แง่ความนึกคิดอย่างอื่นเราก็ไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยไม่รู้เรื่องด้วย พูดในแง่เหตุแง่ผลพูดข้างในพูดเรื่องข้างในเอาเรื่องพุทธประวัติมาเล่าบ้างพอเออเออเ อ, อเ อ, อ, เ อ, อรู้รู้รู้อา่าเพราะพวกเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาออืมเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็เสวยวิมุติสุขอยู่ในที่เกตแห่งแห่งละเจ็ดวันนะมีที่ไหนบ้างที่ต้นอะไรบ้างต้นอะไรบ้างลืมหมดแล้วแหละอ่า อยูนั่นนะ่ะปริมณฑลของตำบลอุรุเวลาเสนาณิคมบริเวณนั้นแหละเป็นต้นจิกเป็นต้นไซเป็นต้นมุด จ, จันลินเป็นต้นอะไรนี่นแหล ะ, สะแสดงอย่า น, นในที่เจ็ดแหง่งแห่งละแห่งละเจ็ดวันแล้วก็ในจํานวนนั้นตรงนั้นพระองค์ก็ทรงพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นหลักปัจจัยาการอันนี้คือหลัก หลักขั้นตอนของการเกิดกิเลสในหัวใจของเราที่พระพุทธเจ้าททรงแสดงหลักปัจจัยาการสนะิบสองเนี่ยสายเกิดวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเนี่ยสายเกิดสังขาร เ, เราก็อธิบายมาแล้วหลายรอบสังขารสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท้าเรียกว่าสังขาร ชี้มาที่ตัวของเราเนี่ยกองสังขารมีกองสังขารรูปแล้วก็มีกองสังขาร น, นามที่ร่างกายของเรานี่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอาวิชชาความไม่รู้ด้วยเหตุที่เราไม่รู้เราก็อยากอยากแล้วก็เกี่ยวข้องแล้วก็ผูกพัน ดยเหตุที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นกองทุกมันเป็นก้อนทุกมันเป็นกระแสะทุกข์เราไม่รู้ไม่รู้นั่นแหะคืออวิชชาอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้เราไม่รู้ความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดสังขารปรุงแต่งนึกคิดนึกดีนึกชั่วปรุงแต่งดีปรุงแต่งชั่วนี่คือของสังขาร สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนะวิญญาณก็คือธาตุรู้วิญญาณนธาตุหรือมโนธาตุนี่อันเดียวกันนะวิญญาณนธาตุแปลว่าธาตุรู้วิญญาณแปลว่าความรู้รู้แจ้งวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งก็คือจิตของเราเนะ่ยจิตมันรู้แจ้งวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปด้วยเหตุที่เรามีจิตนี่แหละ ทำใหจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปหาเกาะเกี่ยวที่เกิดเกิดในภูมิมนุษย์มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณถ้าไปเกิดในในภูมิสัตว์สัตว์ที่ยังมีรูปยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็เหมือนอย่างสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆเราพวกหมูหมาเป็ดไก่อะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีกายแล้วก็มันก็มีจิตแต่มันมีเวทนามีสัญญามีสังขาร มีแต่ก็ไม่มีความรุนแรงไม่มีความเฉลียวฉลาดเท่ากับเราวิญญาตเป็นปัจจัยเกิดนามและรูปนี่เกิดนามและรูปโดยเหตุที่เรามีนามรูปจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดอายตนะคือเครื่องต่อระหว่างนามกับรูปเนี่มันต่อกันนามกับรูปเนี่ยมันต่อกันแท้ที่จริงก็คือรูปรูปกับรูปแหละมันต่อกันตาก็เป็นรูป รูปข้างนอกที่ตาไปเห็นก็เป็นรูปแต่มันเป็นเครื่องต่อของจิตจิตมันออกไปทางตาไปเห็นรูปนี่ท่าเรียกว่าอายตนะอายตนะแปะวลว่าเครื่องต่อนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสล า, ายตนะสลายตนะแปลว่าอายต น, นะหกอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหกดูมาและเราดูมาที่กายของเราเราจะเห็น เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจข้างนอกสิ่งที่เป็นวิสัยของตาก็คือโรควิสัยของหูของจมูกของลิ้นของกายของของใจก็คื อ, เ, อเสียงกลิ่นรสผลตะพะและก็ธรรมารมณ์เป็นอารมณ์เกิดที่ใจนี่คืออยายตนะภายนอกเป็นปัจจัยเกิดสลายอาตนะสลยอายตนะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็สัมผัสกัน แต่กิเลสมันเกิดมา เ, เกิดเป็นลาดับเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับแต่เวลามันเกิดฉับเดียวถึงกันหมดอันนี้พระิุทธเจ้าทำทรงมาแยกแยให้เราเข้าใจอ่าอ่าอ่าสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดพัดสธะพัทธะก็คือการกระทบในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็กระทบกระทบมาแล้วก็เป็นเหตุให้เราเกิดความเลือกอีกโอ้ดีดีก็ชอบใจไม่ดีไม่ดีก็ไม่ชอบใจอ่าเราก็ยึดความดี เป็นสุขเวทนาเรายึดความไม่ดีเป็นทุกขเวทนานี่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเดี๋ยวนี้เวทนาเป็นอารมณ์สหรับเรามาซ่องเสกเรามาสเสวยเป็นรสเป็นรสชาติของอารมณ์บรรดาเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นะมันเป็นรสชาติของอารมณ์ที่จิตของเราอยู่ข้างนอกมันออกไปสัมผัสไปรับไปรู้รู้ว่าดีมันก็ยึดเข้ามารู้ว่าไม่ดีมันก็ผลักออกไป น, นี่คือที่เกิดของตัณหาเวทนาเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณห า, นาในเมื่อดีใจเราชอบเนี่ยตัณหาเกาะแล้วไม่ดีเราก็ไม่ชอบไม่ยินดียินดีเราก็ชอบนี่ตัณหาเกาะแล้วยินร้ายเราผลักออกไปนั่นก็คือตัณหาเกาะแล้วถ้าตัณหาเกาะแล้วก็คือมีแต่ดึงเข้ามาแล้วก็ผลักออกไป ไอสิ่งที่ถูกใจก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาไอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปแต่ด้วยเหตุที่เราผลักออกไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไปยกตัวอย่างเช่นอย่างเราผลักความแก่ผลักความเจ็บปวดป่วยไข้เนีราผลักออกไปมันไปไหมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันนั้นมาเกาะอันนี้มาเกาะเราผลักออกไปมันไปไหมมันไปไม่ได้มันไม่ไปอ่า แต่ว่าธรรมชาติมันจะต้องมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ด้วยเหตุที่เราไม่ชอบใจเราก็ผลักออกไปผลักออกไปมันก็ไม่ไปกระทุกอีกดึงเข้ามาเพื่อจะให้มันเป็นไปตามใจหวังใจชอบของเราเองมันก็ไม่มากระอีกอีกผลักออกไปมันก็ไม่ไปกระทุกอีกนี่คือตัณหาเกิดเมื่อตัณหามันเกิดอุปาทานก็เกิดเมื่ออุปาทานเกิดภพก็เกิด ทุ ก, ก็เกิดขึ้นโดยลำดับมาจนทุกๆทุกๆทุกๆจนถึงโสกปริเทวะทุกขโทมนาสาวายานอันนี้ท่านพูดถึงสายเกิดของปฏิจจสมุปบาทอะไรเกิดตัณหามันเกิดสายที่ตัณหามันเกิดมันเป็นระบบการทำงานของตัณหาในหัวใจของเราหรือเป็นระบบการทำงานของกิเลสในใจของเรากิเลสกับตัณหากับอาสวะ กับอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านพูดถึงอยู่ในนั้นน่ะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดอืสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยกับห อ, อยใจนี่ท่านพูดถึงปฏิจจสมุทบาทสายเกิดทีนี้ถ้าเผื่อเราดับสายดับไหนสายนีโรดนะสายนีโรดนีโรดแปลว่าดับสายนีโรดมันดับมันดับมาตั้งแต่นุนอวิชชานะ การหามันดับดับดับดับดับดับหมายความว่าอวิชชาตัวนั้นจะต้องดับอวิชชาตัวนั้นดับหมายความว่าความไม่รู้มันดับความไม่รู้มันดับต่อเมื่อผู้รู้สว่างร่ำขึ้นมาผู้รู้สว่างร่ำขึ้นมาเราก็อยู่อย่าดูไปที่อื่นแล้วดูมาที่ใจของเราตราบใดที่เราเจริญสติสติของเราร่ำอยู่เนี่ยเนี่ย คือผู้รู้เราตื่นขึ้นเมื่อผู้รู้ตื่นขึ้นมาเป็นวิชาเมื่อวิชาเกิดปั๊บตั้งแต่อวิชาขึ้นมามันก็ดับดาดาดาดาดาตันหามันเกิดไม่ได้เนี่ยมันเกิดที่นี่นี่คือเส้นสายของมันที่มันจะเกิดเนยตัหาอันนี้คือเส้นสายของมันที่มันทำงานตันหาใหม่ที่มันเกิดนี้มันมันเป็นตันหาใหม่ แต่ระบบระบบของมันมันเป็นระบบระบบของตันหาเก่าอันนี้เป็นลูกหลานเหลนของมันที่มันจะมาโผล่ที่หลังมาเกิดที่หลังตันหาเก่ามันส่งระมาแล้วมันปนเปื้อนมากับอวิชชาตันหะปาทาน่ะมันปนเปื้อนมาแล้วทีนี้ตันหาที่เกิดนี้มันเป็นตันหาใหม่เป็นลูกสมัครพระพวกของมันที่มันเสริมกําลังขึ้นมาใหม่มันมีทั้งของเก่ามันมีทั้งของใหม่มันสืบช่วงกันเหมือนกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ของสัตว์ ของพืชของพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสืบเผาพันธ์ของมันเอาไว้พบชาติของมนุษย์เราเช่นเดียวกันถ้าหากเรายังเรายังอยู่ในกระบวนของกิเลสตัณหาอาสวะมันก็สืบเผาพงเผาเหลากอของมันอยู่อย่างนี้เวลามันเกิดที่เราต้องการให้มันดับต้องการให้มันดับเจริญสติเจริญสัมมิจัญญาแค่เราทําให้จิตของเราได้รับความสงบ อวิชชามก็ครอบงำไม่ได้อวิชชาคือหมายความว่าตัณหามันครอบงำเราไม่ได้จิตที่สงบคือจิตที่อวิชชาครอบงำไม่ได้ตัณหาเข้ามาสิงจิตไม่ได้แต่ตัณหาสงบสงบราบเฉยๆเราไม่ได้พิจารณาหาต้นตอเพื่อที่จะดับอย่างแท้จริงเพียงแต่ชะลอให้มันหยุดท่านเทียบเหมือนกับว่าเอาหินไปทับหญ้าเอาไวา้ ย่ามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมันมี ม, ม, ม, มีหินทับอยู่อาศัยอารมณ์ฌานที่มีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันทับอารมณ์ของตัณหาที่ไม่ให้มันพาดีดดิ้นพาจิตของเราดีดดิ้นในหัวใจของเราเนี่ยมันทับอยู่ตัณหาเกิดไม่ได้นี่เราดูวิธีการเหล่านี้แล้วเรารู้ว่าตัณหาตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงให้เราดับนั้นน่ะมีวิธีการ ดับได้อย่างนี้เวลามันเกิดก็เกิดเกิดมาตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็ี่นปัจจัยเกิดวิญญาณมาแล่แล้วมาด้วยจนเกิดเวทนาจนเกิดตัณหาเมื่อตัณหาเกิดมาแต่ทั้งหมดมันเกิดชับเดียวชับเดียวมันเสร็จสับสําเร็จรูปเป็นของมันทั้งหมดแล้วแต่ถ้ามันดับมันก็ดับฉับเดียวตั้งแต่วิชชานัะตราดวิชชาเกิดขึ้นในหัวใจของเราอวิชชามันก็ดับ ตราบได้วิชาเกิดในหัวใจของเราหัวใจของเรามืดตึ๊บโมหะความลุ่มหลงเต็มแพร่อยู่ในนั้นตราบได้เราเจริญสติเจริญสัมปชัญญะขึ้นมาจิตของเรามีความรู้มีความสว่างจ้าขึ้นมาเป็นวิชาวิชาวิชาแปลว่ารู้หมายความว่ารู้เตรียมพร้อมรู้เท่ารู้ทันที่เจ้ามารยาตัวร้ายเนี่ยมันจะสวม สวมรอยแผลงฤทธิ์เอาจิตของเราไปใช้ไปสอยตามความสะดวกสบายของมันเรารู้เท่าเรารู้ทันมันก็ดนับนกมันก็ไม่เปลี่ยนเหตุให้เกิดก่อสังขารวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับพัสสะสลายตนะเวทนาก็ดับแต่สิ่งเหล่านั้นที่ว่าดับดับดับดับหมายความว่าความอยากมันดับคือตัณหามันดับ พอมันดับแล้วมันเัดับดับดับดับดับเป็นเส้ banks, นเป็นสายมาเวทนามีอยู่แต่ไม่มีตัณหาตัณหาเวทนามีอยู่ด้วยเหตุที่เรารู้เท่ารู้ทันตัณหาไม่เกิดเวทนาคือเกรดคือเกณฑ์การกระทบของเรากระทบภาพเรารู้สึกว่าโอ้มันดีเป็นสุขเวสนากระทบภาพเรารู้สึกว่าไม่ดีโอ้เป็นทุกขเวสนา บางทีไม่อาศัยความกระทบอยู่เฉยๆมันเป็นกลางๆท่านเรียกอาทุคขมสุขเวทนาเมื่อสติปัญญาเราโร่อยู่เวทนาสักว่าเวทนาผัสสะสักว่าผัสสะวิญญาณสักจะ ว, วิญญาณนามรูปสักจะว่านามรูปนามรูปวิญญาณสักจะว่าวิญญาณ สังขารสักก็ว่าสังขารมันแปลงมาจากอวิชชาเป็นตัววิชชาตันหาไม่เกิดตันหาไม่เกิดที่ที่อวิชชาเพราะอวิชชาอวิชชาดับวิชามันโเราขึ้นแทนตันหาไม่เกิดมันก็ดับดับดับสิ่งวันนั้นยังมีอยู่แต่ตันหามันไม่เกิดมันดับตั้งแต่ต้นสายข้อมันอยู่แล้ว เวทนาก็มีอยู่แต่มันไม่มีตัวยึดไม่มีผู้ยึดไม่มีตันหายึดเมื่อไม่มีตันหายึดอะมีเวทนาแต่ไม่มีตันหายึดเมื่อไม่มีตัหายึดอุปาทานก็ไม่มีภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีการที่เราจะไปบัตรเป็นนู่นเป็นนี้คือกองทุกจะไปเกิดมันไม่มีเพราะหมดตัวไปยึดหมดผู้ที่จะไปเกิดในภพหมดผู้ที่จะไปยึดภพหมดผู้ที่จะไปเกิดในภพ นี่นี่คือที่จบที่จบพ้องกระบวนการของกองทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอันนี้เป็นหลักนะอันนี้เป็นหลักอันนี้เป็นทฤษฎีอันนี้เป็นหลักนะแต่เราใช้เป็นบทฝึกซ้อมได้ถ้าเราไม่รู้เส้นสายไม่รู้สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่มีระบบระบอบไม่มีวิธีการไม่มีเครื่องม้าเครื่องมือที่เราจะพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละ ตราบได้อวิชชาครอบนำหัวใจของเรามันเบรกเราอยู่เรื่อยว่ะเฮะ้คือเบรกเราอยู่เรื่อยแทะ <laughs> จะไปถึงไหนอ็จะเบรกเราให้หัวขมอมตั้งแต่หัวข้ามวันนี้แหละแนะ่ไม่รู้ใครมาเปิดเอาวไว้ มาเปิดตีเอาไว้เราก็เลยไปก ด, o A กดออฟเอาไว้มันก็หยุดนี่คือเส้นสายการเกิดของมันเส้นสายการเกิดของมันเรามาพิจรารณาเทียบเคียงไปเทียบเคียงมาถ้าให้เราเกิดปัญญาเราทดสอบอย่างนี้ก็ได้เราทดสอบอย่างนี้ก็ได้ในระหว่างที่เราเจริญพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ แนระหว่างที่เราเจริญถ้าเรามีสติมีสัมผชัญญากำหนดจดจ่ออยู่นะมีสมาธิอยู่มีสติอยู่มีสัมผชัญญาอยู่จิตของเราตื่นรู้อยู่ถ้าจะว่าสว่างก็สว่างรู้อยู่เอาวิจชาครอบจิตของเราไม่ได้เราทำไปเราทำไปเราทำไปเราขาดสติเราขาดสติหลงลืมไปไหนแล้วไม่รู้แล้วลืมพุโทโธแล้ว พุโทโแต่ปากทรงจิตไปไหนก็นไม่รู้แล้วนี่มันถูกอวิชชาครอบแล้วตราบใดที่มันยังไม่ครอบเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ที่เราบำเพ็ญพุโทโธพุทโธมันสว่างมันตื่นรู้อยู่เนี่ยตัณหาแทรกไม่ได้ตราบไดที่เราเผลอไปปับ๊บมันแทรกเข้ามาทันทีอวิชชาครอบนี่คือหลักปรัชญาของอวิชชาอาวิชชาแลวก็ทดสอบมาทางภาคทฤษฎีและมาภาคปฏิบัติอ่า ที่เราพยายามเล่าต้นสายปลายเหตุให้ฟังวิธีทําฝึกซ้อมเราก็มาตั้งข้อฝึกซ้อมทดสอบอยู่อย่างนี้แหละตรงนี้แหละเมื่อเรารู้เราเข้าใจมันจะกระจายเข้าไปหมดเลยทาให้เราทรปปลุกปกโปร่งข้างในเนี่ยปปลุ ป, ปลกโปร่งไปหมดระ บ, บบระบ บ, บ, บการเป็นการมาเส้นสายการเกิดของกิเลสการตั้งอยู่ของกิเลสการดับของกิเลสการเกิดของธรรม ในเมื่อกิเลสเกิดไม่ได้ก็คือทําเกิดะเมื่อทําเกิดไม่ได้ก็คือกิเลสเกิดเมื่อกิเลสเกิดไม่ได้ก็คือทําเกิดมันหากเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้ากันอยู่อย่างนี้เองอืกิเลสมันเกิดไม่ได้มันเพิ่มผลมิบากไม่ได้ตราบใดที่เราพูดโธพุโธพูทโธพอเราเผลอปั๊บขาดสติสติอ่อนไปแอะอวิชชาครอบแล้วเมื่ออวิชชาครอบขึ้นมาโมหะมันก็ครอบขึ้นมา กิเลสปัญหามันก็แทรเข้ามาแล้วกิเลสโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามีเราเกิดขึ้นมาเราเจ็บเราปวดเราสุขเราทุกข์เรานู้นเราโน้ยืดไปหมดมันยืดไปหมดเนี่ยเรามาเทียบดูว่าหลักปรัชญาตรงนี้เอามาทดสอบทางภาคปฏิบัติของเราเรามาพิจารณาอย่างนี้เอาสมมุติเราไม่สมถะเลยเราไม่พุโทโธแหละเราพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาหเห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรเนาะเป็นอันนี้จังอะไรนาะเป็นทุกขงังอะไรเนาะเป็นอนัตตาราหัสพิจารณาในขณะที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาโร่ก็หมดจดจอ่อพิจารณาไล่ไปไล่ไปไล่ไปดูความเปลี่ยนแปลงรู ป, ปรธรรมของเราโอ้ยเราเกิดในท้องแม่ปุ๊บเดี๋ยวเป็นก้อนน้ําใสๆเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาไม่อยู่เท่าเดิมโอ้ไม่อยู่เท่าเดิ ม, ม, ดมนี่แหละเป็นอันนี้เป็น เป็นทุกข์ไม่อยู่เท่าเดิมนี่แหละเป็นทุกขังเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาอันนี้แหละเป็นอ น, นิจจังดูให้เห็นเอาสติเอาสามชาธิกำหนดจดจอดูนี่เราดูความเปลี่ยนแปลงดูไปดูไปดูไปเราเผลอเผลอขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเพราะมันทุนรอนมันยังไม่พอเพราะมันขาดปุ๊บหายหายเงียบไปแล้วมืดตึ๊บ อ่านี่อวิชฌำมันครอบแล้วพอมันครอบปั๊บเนี่ยความสว่างของจิตของเรามันก็ดับปัญญาภูมิรู้ของเรามันก็ดับอวิชฌำมันครอบพอมันครอบปั๊บมันสวมรอยมันดึงไปใช้ได้เลยอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนั้นก็ของเราย่งเราพิจารณาเห็นเป็นอสุภะอสุพังพิจารณาไปพิจารณาโอ้มันเป็นสุภะมันเป็นสวยมันเป็นงามกำนัดยินดีขึ้นมาทันทีนานมันสวมรอย เราพิสูจน์ตรงนี้เรารู้ได้ว่าในแง่ของการที่เรามีกําลังของสมาธิในแง่ของการที่เรามีกําลังของของปัญญาเราสามารถต่อก่อนกับมันได้เพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมความสงบให้กับหัวใจของเราควรตั้งสติกําหนดจดจ่อรูอยู่ในหลักของการเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานนั้นท่านให้มากําหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้ สังขารมีอยู่วิญญาณมีอยู่นามรูปมีอยู่ชลาญาตนะอายตนะทั้งหกมีอยู่พัทธะคือการกระทบของสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เวทนาคือเกณฑ์เกิดขึ้นความสุขความทุกข์อยากสิ่งเหล่านั้นกระทบกันมีอยู่ที่เรียกว่าเวทนามันมีอยู่เรารองกําหนดดู ดูว่ามั น, ม, นมีสักจธว่ามีอยู่สักจธว่ามีอยู่จริงๆเรามีสติกำหนดจดจอ่อเต็มแปร่มีสติมีสมาธิกำหนดจดจอดูมันสักจธว่ามีอยู่จริงๆแต่ถ้าไอ้ตัวกำหนดจดจอนี้มันจางไปมันเสื่อมไปมันสวมลอยลงมาที่ใจของเราทันทีโอเราสุขโอเราทุกข์นี่แสดงว่ายึดแล้ว ปัญหามันมาครอบแล้วมันอยู่ใ น, นฉากเดียวกันพอเราเผลอปั๊บมันก็สวมรอยพอเราตั้งตัวได้ปั๊บมันก็หายหน้าพอเราเผลอปั๊บมันก็สวมรอยมันอยู่ตรงนี้เองจ่ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครขยันจ่อมาที่นี่คนนั้นจะได้ปัญญาจ่อมาที่จิตของตัวเราเนี่ยยิ่งเรามาขัดเกลาเข้าออกอยู่กับกระแสอยู่กับเส้นสายตรงนี้ด้วยแล้ว แล้วก็เทียบเคียงมาทางภาคปฏิบัติไม่ถอยทั้งประเภทสมถะทั้งประเภทวิปัสนาสติปัฏฐานท่านเรียกว่าสติวิปัสนาสติวิปัสนาแต่มันก็มีสมาธิอยู่ในนั้นแหละเพราะเราเจริญทั้งสมาธิมันก็มีทั้งสติมีทั้งสมาธิมันมีทั้งปัญญาการที่เราจะไปแยกอธิบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นอ่ะมันจะทําให้เราสรับสนท่านแยก ท่านแยกทางภาคปริยัติเนี่ยท่านแยกแยกแยแยกไปแยกมาแล้วมันสับสนมันหลงแล้วมันเตะกันเองตีกันเองโดยลืมข้อกำหนดกฎเกณฑ์คือจิตดวงเดียวเนี่ยจิตดวงเดียวเป็นแกนนําสิ่งเหล่านั้นเป็นกิริยาการตามมาทั้งนั้นไม่จิตดวงเดียวสิ่งเหล่านั้นเป็นกิริยาการที่ตามมายกตัวอย่างเช่นอย่างเรามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณที่จะเรียกว่านามขัน นามาขันเหล่านี้ทั้งสี่อย่างนี้เป็นอาการของใจอาการของมันไม่ใช่ตัวใจแท้เป็นอาการเป็นกิริยาอาการไม่ใช่ตัวใจแท้ถ้าเราจะเทียบเหมือนอะไรเหมือนไฟถ้าเราจะสมมติก็เหมือนเราจุดเทียนเราจุดเทียนเล่มหนึ่งสว่างโร่อยู่เนี่ยเทียนกําลังกินเชื้ออยู่เนี่ยอ่า ไฟแ ท, แท้เราเห็นไหมเรามองไม่เห็นเพราะไฟแ ท, แท้เนี่ยมันร้อนนั่นคือตัวธาตุไฟแท้แทไอ้สิ่งที่เราเห็นเป็นกิริยาอาการของมันทั้งหมดเช่นอย่างเราเห็นสีเหลืองๆตรงปลายมันแดงๆเนยเปลวเทียนมันจะเป็นอย่างงั้นแหละอะมีสีเหลืองๆมีเปลวมีเปลวเหลืองๆขอบมันกัดแดงแด ง, แ, ดงแล้วก็มีควันและมันก็เป็นปฏิกิริยาคือความร้อนมันกินไส้ ไส้นั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมมันถูกไหม้เผาไหม้เผาไหม้เผาไหม้เผาไห ม, ไม้ทำให้เกิดปฏิกิริยาแล้วมันติดอยู่นั้นอะ่ะกิริยาทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละคืออาการของไฟตัวไฟแท้ๆเราไม่เห็นเราต้องการทราบว่ามีไฟหรือไม่มีไฟให้เราเอามือไปแย่และเป็นยางไงเมาทัานทนีนั่นนั่นไฟอันนี้เรายกตัวอย่างมาที่จิต คือผู้รู้ของเรากับกิริยาอาการของจิตทีนี้เราต้องการจะจับจิตแลาจะจับตรงไหนเมราะเหตุที่เรามีคุณธรรมไม่ลึกไม่ละเอียดพอเราจับไม่ได้เราต้องการจับจิตเราต้องจับอารมณ์ที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องเช่อนอย่างเห็นเราก็ทำความรู้สึกอยู่ที่เห็นได้ยินเราก็ทำความรู้สึกอยู่กับได้ยิน เพราะรู้สึกอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นแหละอ่าในกายของเราทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกอยู่ตรงไหนจิตของเราก็คืออยู่ตรงนั้นแต่แท้จริงไอ้ที่เราเห็นนั้นแหะคืออาการของมันเราจับตัวมันยังไม่ได้เราจับอาการของมันซะก่อนเหมือนอย่างเราเห็นไฟเรายังไม่เห็นตัวไฟเราเห็นจีริอาการของมันซะก่อนโอ้ก็มีไฟเรารู้ไฟมันร้อนเราไม่กล้าไปจับอืมเราไม่กล้าไปจับอันนี้ยกตัวอย่าง จิตของเราเราไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้าไปถึงตัวจิตอย่างแท้จริงเราถึงจะเป็นตัวของตัวแต่จะเข้าไปถึงได้ด้วยกิจยาของความสงบเราก็เข้าไปถึงได้เข้าไปถึงได้ด้วยการพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นทางด้านปัญญาเราก็สามารถเข้าไปถึงได้เนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงหลักปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทั้งทรงแสดงทรงพิจารณา ในปริมณฑลของตําบลอุรุเวลาเสนานิคมบริเวณที่พระองค์ได้ตรัสรู้อยู่ในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันทรงพิจารณาอภิธรรมทรงพิจารณาปฏิจจสมุขบาททรงกำพึงถึงว่าจะเอาธรรมะของพระองค์ไปโปรดใครนะจนเป็นเหตุให้พระ ม, มาจะโลกาเนี่ยนี่แหละมาอยู่ในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันแต่เราลืมดูนั้นแล้วเราลืมแล้วมาลุที่ตรงไหนท่านทรงประรบอะไร แต่อยู่ในช่วงนั้นแหะในช่วงที่ว่าในที่เกตแห่งแห่งละเจ็ดวันเนี่ยนั่นนะ น, ะนี่พระองค์ท่านทรงพิจรารณาเมื่อสมัยพระองค์ตรัสรู้นั่นน่ะไม่มีใครไปตั้งหัวข้อธรรมะให้พระองค์เรียนไม่มีไม่เหมือนพวกเราทุกวนันนี้เรามีหนังสือมีไตรปิฎกเต็มตู้โบราณอาจารย์ท่านมารวบรวมมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้เรียนเต็มตู้ แต่สมัยพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญพิจารณาหลักสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่มีหลักไม่มีใครมามาเขียนให้พระองค์ได้เรียนได้พิจารณาอาศัยว่าตปะธรรมมันเกิดขึ้นในหัวใจของพระองค์เองสมาธิของพระองค์ก็แนบแน่นมั่นคงกำหนดจดจ่อพิจารณาไปตรงไหนมันเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดกำหนดจดจ่อไปที่ไหนมันเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นใน มัดชิมมยามล่วงไปแล้วเป็นปัดชิมมยามยามสุดท้ายในวันเพ็งวันเพ็งเดือนหกนั่นน่ะเป็นเหตุให้พระองค์มาใคร้คูนแผลเผาด้วยตวปะปะธรรมเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นว่ากิเลสตัณหาอาสวะในพระไถยของพระองค์น่ยมันถูกตปะปะธรรมเนี่ยแผลเผาเหือดแห้งไปไหนเหือแห้งไปจนหมดเหือดแห้งหายไปหมดกิเลสตัณหาอาสวะเหือดแห้งไปจากขันธสันดาน เป็นเหตุให้พระองค์เข้าถึงอาสวะคยาญาณมันมีญาณอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบอกพระองค์ว่าอาสวะกิเลสในพระทัยของพระองค์เนี่ยหมดสิ้นไปจากขันธสันดานของพระองค์แล้วย้อนพิจนาย้ยอนมาดูไม่มีอะไรเหลือสักเม็ดเลยว่างั้นนะสมัยที่พระองค์ได้รูปปัสมะบัติอรู ป, ปรสมาบัตรเนี่ยย้อนมาดูโอ้ยกิเลสยังกองเต็มแปร่อยู่ พอหลังจากเอาธรรมะในี่ยมาแผดมาเผาในปัจฉิมยามล่วงไปแล้วเนี่ยอยามสุดท้ายเหลือยามสุดท้ายหมุนด้วยตปะธรรมเหล่านั้นจนเป็นเหตุให้แผดเผาเกิเลิดเหงือดแห้งไปจากคันทสันดานแ mm hmm. น่เพราะพระจิตของพระองค์น่ยหมุนเข้าไปถูกหลักหลักอันนี้แหละหลักอริยรรสัจสี่นอืนถูกหลักอริยสัจสี่คือหลักเหตุกับผล ปฏิจจสมุปบาทก็คือเหตุกผลคำว่าเหตุคำว่าปัจใจปัจใจให้เกิดปัจใจให้เกิดปัจใจให้เกิดนู้นปัจัยให้เกิดนี้ก็นั่นแหละปัจัยตัวนั้นแหละคือเหตุมันพ่วงกันมาเหมือนลูกโซ่เกาะมันมามันเกาะกันมาเหมือนลูกโซ่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงมาเรียงให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะเราต้องมาศึกษาตามมันเป็นภาคทฤษฎีอืม โดยเหตุที่พระองค์มองทะลุโปร่งเอามาตั้งเป็นระบบระบอบให้เราได้ยินได้ฝังได้เรียนอเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ของพระองค์เนี่ยเรียนรู้เข้าใจตามได้ง่ายเรามาพิจารณาตามหลักอันนี้ทําให้เราเข้าใจเรื่องหลักของเหตุของผลอย่างแท้จริงอนี่คือสายเกิดของกิเลสกิเลสมันเกิดเกิเกิดเกิดอย่างนี้เวลามันดับเรามาตั้งท่าทีเจริญสมถะมันก็ดับแล้วมันดับ แต่มันดับยังไม่จริงมันแสดงกิริยาไม่ได้เพราะเราอบเอาผู้รู้ผู้นี้มาใช้งานปลุกจิตปลุกสติกํากับจิตของเราให้ตื่นโรยวนมันมาแทรกจิตของเราไม่ได้มันมาทำงานไม่ได้มันก็ดับมันชลอตัวมันสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ถ้าเราจะว่าตัณหาใหม่ไม่เกิดก็คือตัณหาใหม่มันดับมันเกิดไม่ได้แต่ตัณหาก่ามันยังอยู่ ตัญหาเก่ามันยังอยู่เพราะฉะนั้นสมถะจึงสามารถระงับดับตัญหาใหม่ได้แต่ตัญหาเก่าที่มีอยู่ในขันธสันดารดับไม่ได้ท่านจึงให้เจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้คือการที่เรามาพิจารณาคลี่คลายว่ามันพายึดพาเกาะอะไรบ้างให้เรามาพิจารณาพิจารณาว่าตัญหามันพาเรายึดเราเกาะมันยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราบ้างมันยึดอะไรเป็นมันบ้าง ให้เรามาย้อนดัวนี้โดยที่ท่านเทียบหรืออุปมาเหมือนกับว่าเราต้องการจะข้ามจากฝั่งโลกกิะเนี่ยไปสู่โลกุตรระเราอาศัยเรือข้ามฟากคาว่าเรือก็คือจิตของเราเนี่แหละงานของเราที่างานบาเพ็ญสมถาววิปัสนาของเราเแล้วก็อาศัยจิตของเราเป็นเรือข้ามฟากไปแต่เรือของเรามันรั่ว เรือของเรามันรั่วเรือรั่วแสดงว่าเรือต้องมีรูสะลุมันทะลุตรงไหนน้าก็จะเข้าตรงนั้นทะลุตรงไหนน้าก็จะเข้าตรงนั้นวิธีการทําไงเราจะข้ามเราจะข้ามมหาสมุทรจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นได้อันดับแรกเราต้องอุดรูรั่วแเมื่อเราอุดมิดชิดน้ําใหม่เข้าไม่ได้ในขณะเดียวกันน้ําเก่าที่มันเข้าไปแล้วมากมายมหาศาล เราอุดน้ำใหม่ซะก่อนไม่ให้เข้าไปน้ำใหม่เข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอุดรูไว้แล้วเราสังวรสํารวมระมัดระวังตั้นหาใหม่เกิดไม่ได้เปรเียบเทียบเหมือนกับว่าน้ําใหม่เข้าเรือไม่ได้แต่น้ําเก่ายังอยู่เต็มแปร่อยู่ในนั้นอนุใสกิเลสยังนอนเต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราท่านจึงให้พิจรารณาแยกแยะรูปประธรรม เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งรูปปัจขันทั้งนามขันท์ท่านให้พิจารณาให้แยกแยะเพราะตัญหามันยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราน้ำเก่ามันมีอยู่ในนั้นทีท่านพูดถึงว่าเราพิจารณาในขณะที่เราตั้งอกตั้งใหญ่พิจารณาเหมือนกับว่าเราพยายามวิดน้ำเก่าออกน้ำใหม่ไม่เข้าน้ำเก่าเราวิดออก อันนี้คืออุปมานะอุปมาทำให้เราเทียบเคียงว่าสิ่งเหล่านี้มันหมดไปได้ไหมเลยเอามาอุปมากับการวิดน้าออกอุดรูน้ำใหม่ไม่เข้าน้ำเก่าเราวิดออกวิดออกไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นด้วยอุปมาอันนี้นะวิดออกไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นนี่เป็นเหตุทาให้เราทราบโดยข้ออุปมาวิววิด ว, ว, วิไปจนหมดฮะเรือเราก็เบา เบาสบายปลอดโปร่งข้ามวัฏจัรสงสารไปได้จากฝั่งนี้ไปสิงฝั่งลุงฝั่งนู้นฝั่งไหนฝั่งโลกุตระโลกุตระคำว่าโลกุตระคือพ้นทุกพ้นโทษพ้นวัฏตะสงสารโลกุตระแปลว่าพ้นโลกสูงกว่าโลกโลกุตระแปลว่าสูงกว่าโลกพ้นโลกเดียวพ้นโลกโลกิยะแปลว่ายังอยู่ในโลก โลกิยะยังเป็นอยู่ในโลกโลกุตระแปลว่าสูงกว่าโลกพ้นจากโลกโลกก็คือโลกเกิดโลกแก่โลกเกี่ยวโลกตายโลกวัะสงสารนี่เราอุปมาการทำความภาคความเพียรพูดไปเราก็ลืมสมมะาไม่ได้เพราะอันนี้คืองานที่เราทำทำไมมาเข็นให้เข้าใจในเรื่องสมมติฐานเนาไม ามาชี้แจงให้รู้แต่เรื่องของวิปัสนาเรื่องอื่นๆธรรมะอื่นๆทําไมไม่พูดอันนี้คือหลักคือเหตุคือผลคือต้นคือต่อจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงจะได้ก็ได้ตรงนี้จะเสียก็คือเสียตรงนี้จริยธรรมที่เราควรประพฤตินะ่ะเรื่องสินเรื่องธรรมเรื่องอะไรแตลายสารพัด ท, ที่เราเอามาใช้มาเกี่ยวข้องกับสังคม ความเพียรเอ่ยวิริยะเอ่ยอุตสาหะเอ่ยความพยายามเอ่ยอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงนะ่ยพูดถึงสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ทําให้เราเอามาประกอบเพื่อสมถะเอามาประกอบเพื่อวิปัสสนาในเมื่อเราสามารถเอามาประกอบกับงานหลักงานใหญ่งานสําคัญอย่างนี้ได้ปัญญาอย่างนี้เราเอามาใช้กับคดีลโลกยิ่งสะดวกยิ่งคล่องแคล่วเพราะ ผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ชำนาญคือคือจิตดวงเดียวคือจิตของเราที่เราฝึกได้นั่นแหละนะเหมือนกับเรามีมีดคมๆอยู่ในมือฟันอะไรก็ได้ฟันใกล้ฟันไกลอขาดกระเด็นไปหมดด้วยเหตุที่เราฝึกฝนอบรมได้จิตดวงนี้เราฝึกฝนอบรมได้เหมือนกับเรารับมีดที่คมฟันอะไรก็ได้ฟันอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น เราฝึกฝนเราพัฒนาตรงนี้มันเกื้อกูลกับคดีโลกคดีโลกเกื้อกูลคดีธรรมคดีธรรมเกื้อกูล ค, คดีโลกอมพอเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ปั๊บเรื่องสินเรื่องธรรมเรื่องหลักจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องทําความเข้าใจทําความรู้จักและต้องอยากได้ต้องอยากมีอยากให้ทานแนี่ เพราะทานเกื้อหนุนมาอยากตั้งใจรักษาสินเพราะขาดทานขาดสินไม่ได้อันนี้เป็นสบียงเป็นปัจจัยช่วยเสริมเข้ามาเป็นกําลังเสริมเข้ามาอแต่ถ้าหากเราไม่เข้าใจตรงนี้เราไปเล่นอยู่แต่กับสิ่งนั้นมันพาพาเราออกนอกลูก่นอกทางได้ทําทานห้าบาทโอ๊้ทิ่ถานขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรลงทุนแค่ห้าบาท ให้ถูกลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบสี่สิบล้าน <c oughs> มันแสวงกำไรเกินแสวงกาไรเกินนึกล่องลอยเลื่อยเปื่อไปตามภาษาตามอำนาของกิเลสตัณหาที่มันแทรกเข้ามาในหัวใจของเรามันไม่สมเหตุมันไม่สมผลแต่มันก็แปมกันนะไอ้ความดิ้นรนความทะเยอทะยานของจิตของคนเราเนี่ยไปซื้อ ส, ม, สมุดาดาวดามก็ถูกได้เหมือนกัน มันเป็นอะไรไปซื้อสุมส่มๆเดาๆก็ถูกได้เหมือนกันเอ้ตันหานมันก็หลอกหลอกคนได้สารพัดนะมันมีข้อเท็จจริงที่ไหนไปซื้อสุ่มเดาเอาเฉยๆเนละมีใครเอาวหลักเกณฑอะไรไปซื้อได้บ้างไม่มีเออเอเอฟันอย่างนั้นน่าจะถูกฟันนี่บ้าบ่มันมถูกได้จริงๆนะบางคนน่ย โอ้ลาบช่วยโชคช่วยโอ้หลวงพ่อองค์นั้นช่วยโอ้หลวงพ่อองค์นี้นช่วย <c oughs> ท่านไม่เห็นมารู้เรื่องกับเราเลยงั้นดูที่ความทะเยอทะยานของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นอันนี้คือวิสัยของโลกวิสัยของโลกนี่เราพูดถึงคดีโลกกับคดีธรรมมันเกื้อกูลกันขอให้เรา คลึงเล็งมาถึงหลักปฏิบัติข้างในลึกๆเราอย่าไปกลัวเราเสียจริยธรรมนอกๆเฮ้ยจริยธรรมนอกๆเราไม่รู้เรื่องเลยเราจะมาเข้ามารู้เรื่องแต่ข้างในในเมื่อจิตของเราเกาะเกี่ยวผูกพันอยู่แต่กับเรื่องข้างในนี่แล้วอุย้ยอันนั้นอ่ะมันไม่อยากให้หลุดไม้ ห, หลุดมือไปเลยทานมันก็ให้ศีลมันก็อยากตั้งใจรักษาเพราะสิ่งล่านั้นเป็นเครื่องประกอบขึ้นมาอืม การให้ทานให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพราะมันมีการผูกพันยึดมั่นในผลของการให้ทานทานเนี่ยพูดถึงทานที่พวกเราทำทำกันเนี่ยสู้ทานที่พระอริยะบุคคลเช่นอย่างพระโสดาบันเป็นต้นทำไม่ได้พระอริยะบุคคลทั้งทำพระโสดาบานันตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปท่านทำจนหมดเนื้อหมดตัวเลยสมมติอย่างวันนั้นตรงนั้น เหลืออาหารจานสุดท้ายจะเข้าปากนะอ้อยังอื่นให้คนอื่นกินไปหมดแล้วเหลือจานเดียวเราโมจะแจกคนอื่นเหลือเหลือไว้เว้นจานเดียวนะกำลังจะกินอยู่เนี่ยเหนาะ น, นั้นแจกคนอื่นกินไปจนหมดแล้วอา้าวเพื่อนมาอีกเห็นอานิสงส์ที่ไปเข้าปากเพื่อนมากกว่ามาเข้าปากของตัวเองย่อมอดเห็นการอดของเราเห็นการอิ่มขอ ง, องเพื่อนเนี่ยเห็นคุณค่ามากกว่าที่มาเข้าปากของตัวเองนี่คือวิสัยของพระโสดาบัน พระชันผู้ที่มีธรรมเขามีความเริมใสสถศรัทธามากกว่าเราจนได้ชื่อว่าอาจฉริศรัทธาอาจาัจฉะศรัทธาเป็นศรัทธาที่ไม่โยกไม่คลอนเชื่อมั่นแนบแน่นอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าไอ้ไม่โยกไม่คลอนเหมือนเสาอินทขินแปดสูงแปดสิบสองฝังลึกลงไปเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปพัดให้เกิดความสั่นสะเทือนคลอนได้อันนี้หมายความว่า เราเข้าไปเห็นหลักของสัจธรรมที่แท้จริงเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยญาณทัศน์ของเราไม่มีใครไปไปสามารถไปกลบไปเกลื่อนไปโกหกไปมดไปเท็จไปอะไรไปหลอกไปลวงเราได้ยึดมั่นอจนสัทธากับเรื่องเหล่านั้นอแต่เรื่องทานของภายนอกเรื่องทานของภายนอกมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นสมัยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ย ครึ่หัดใครก็ตามที่ได้เป็นพระโสดาบัน้วยเหตุที่พระโสดาบันทําบุญจนหมดเนื้อหมดตัวพระสงฆ์เนี่ยเดินผ่านหน้าบ้า น, น่ไส้หมดมีอะไรใส่หม ด, ห ม, ดมีอะไรใส่หมดเจ้าของยอมหมดมีอะไรใส่หมดพระพุทธเจ้าจึงให้สงฆ์ไปสวดสมมุติเพื่อไม่ให้พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปเบียดเบียนเบียดเบียนจนเจ้าของไม่ได้กินใส่จนหมดให้จนหมดให้จนหมดคนไหนที่พุทธเจ้าให้พระสงฆ์ไปสวดสมมุติเป็นเสกขบุคคล เช่อนอย่างนายกเนี่ยถูกเป็นพระสระบันรุนทิยาให้สงไปสวดสมมุติเป็นเสขะบุคคลภิกษุที่ยังไม่ได้รับนิมนต์เข้าไปบินทบาทปรับอาบัติเน่ยเสร็จแล้วมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเขานิมนต์ให้ไปรับบินทบาตด้วยเหตุที่เขาเริ่มใสศรัทธาเขาใส่มามากเท่าไหร่ก็ตามตามกําลังศรัทธาของเขาเรารับมาได้รับมาเยอะๆรับมาได้แต่ต้องไปแบ่งหมู่ ไม่ไปแบ่งหมู่ปรับอาบัตอีกเนี่ยเราดูความเลื่อมใสศรัทธามันจะล่อมเข้ามาหมดนะเพราะฉะนั้นเราเดินจากต่ำตํำๆขึ้นมาสูงๆก็ได้เรามาจับสูงเราก็ดึงต่ําๆขึ้นมาก็ได้อเห็นไหมเอาตั้งขึ้นทั้งลงเลยพวกเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราไม่เสียท่าเสียทีเราไม่เสียเปรียบ ทำไมเราต้องมานั่งฟังแต่เรื่องอะไรเจอแต่ระเบิดนิวเคลียร์นิวตอนไม่รู้รจะทํำยังไงได้ไม่รู้จะเอาอะไรได้มันไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรย้อนมาดูที่จิตของเราก็หมดจะเจในขณะที่ฟังอย่างนี้ก็เจอมาที่จิตของเราจะฟังเข้าใจรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามเอราะจิตสงบอยู่ในนั้นนั่นคือหลักเกณฑ์ที่เราควรจะได้ เมื่อกี้เราก็พูดในในแง่ของการเจริญมหาสติไปแล้วเจริญมหาสติสัแต่ว่าเป็นรูปอ่าเป็นอ่าเป็นเป็นสัจว่าเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นพัสสะเป็นเวทนาสัแต่ว่าไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาพัสสะไม่ใช่เราเราไม่ใช่พัสสะตาไม่ใช่เราเราไม่ใช่ตาอ่ารูปไม่ใช่เราเราไม่ใช่รูปอ่า นามรูปไม่ใช่เราเราไม่ใช่นามรูปวิญญาณไม่ใช่เราเราไม่ใช่วิญญาณสังขารไม่ใช่เราเราไม่ใช่สังขาร น, นอกเหนือไปจากเราทั้งหมดเนื่องจากว่าเราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นวิชชาเกิดขึ้นแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอวิชชามันก็ไม่มีอวิชชามันก็ดับความยึดสักอย่างหนึ่งไม่มี มันก็ดับดับดับดับดับดับมาจนหมดอะไรดับหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นหรอดับไม่ใช่ตัญหามันดับทำไมมันถึงดับทำไมความเมืดอในจิตของเรามันถึงดับก็เพราะมีสติมีสัมผชัญญะมีปัญญาโพงอยู่ตื่นอยู่รู้อยู่เราลองทำให้เกิดความสงบกนดจดจ่อดูจิตของเราเหมือนกับมีแสง จิตเริ่มสงบจิตผ่องใสความผ่องใสของจิตนั้นเหมือนกับจิตมีแสงบางคนมีฤทธิ์มีเดชเป็นแสงจริงๆลองทําให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นมีแสงสามารถเดินตามแสงมองไปเห็นอะไรตอะไรได้หมดนี่คือความที่เป็นของอัศจรรย์ที่มีอยู่ภายในจิตของเราเราทําเราพูดพอเป็นกรีกรีหมายป้ายทาง เพื่อเป็นการล่อลใจให้เรามีความเริ่มสาศรัทธาและตั้งอกตั้งใจทำเขาทำได้เขามีได้เขาเป็นได้แต่เหตุที่เราทำเราทำไม่ถึงเราขุดไม่ถึงเราสี